รานี้จะอธิบายถึงธรรมเนียมให้อุปสมบทของสงฆ์ผู้จะอุปสมบทนั้นต้องเป็นชายมีอายุครบกำหนดเป็นบุดุษคือไม่ต่ำกว่า20สิบปีนับแต่ปฏิสนธิมาอาจได้เป็นมนุษย์วิบัติคือถูกตอนเป็นต้นไม้ไม่ใช่คนทําความผิดอย่างร้ายแรงเช่นฆ่าบิดามารดาและไม่ใช่คนเคยทาความเสียหาย ในพระพุทธศาสนาอย่างร้ายแรงคือต้องป ร, รารชิกเมื่อบวชเป็นภิกษุกล่าวก่อนหรือไปเข้ารีดเดียรถถ์ถีทั้งที่เป็นภิกษุถ้าเป็นคนมีโทษเห็นปานนั้นหรือเป็นสตรีอุปสมบทไม่ได้เรียกว่าวัตถุวิบัติหากสงฆ์จะคืนให้อุปสมบทหรือทําให้โดยไม่รู้ก็ไม่เป็นภิกษุโดยถูกต้องแกพระบัญญัติรู้เข้าเมื่อใด จำจะต้องให้ออกเสียจากหมู่เมื่อนั้นคนพ้นจากโทษดังว่าแล้วเรียกว่าวัตถุสมบัติควรจะได้รับอุปสมบทได้แม้คนผู้ไม่ต้องห้ามเป็นเด็ดขาดเช่นนั้นแล้วก็ยังควรจะเลือกสรรอีกควรจะเว้นคนเสียชื่อเสียงเช่นคนเป็นโจรหรือหัวไม้ขึ้นชื่อโด่งดังคนทำความผิดถูกรับอาชญาแผ่นดิน มีเครื่องหมายติดตัวเช่นถูกเคี่ยนหลังลายถูกสักหมายความผิดคนมีอวายวะพิการต่างๆคนมีโรคไม่รู้จักหายซึ่งไม่สามารถจะทำหน้าที่ของภิกษุได้คนมีโรคที่ติดกันมีโรคเรื้อรังคนอยู่ในห่วงห้ามของผู้อื่นคือคนอยู่ในปกครองของมารดาบิดาคนอยู่ในราชการ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 จัดบวชบวแล้วก็แล้วไปไม่จําต้องให้ออกเสียจักหมูเมื่อสองฆ์จะให้อุปสมบทต้องชุมนุมภิกษุให้ได้องค์กำหนดนี้เรียกว่าปริสาสมบัติถ้าหย่อนไปกว่ากำหนดเรียกว่าปริสาวิบัติให้อุปสมบทไม่สําเร็จ การนี้ต้องพร้อมเพรียงกันทำต่างว่าในตำบลหนึ่งมีภิกษุมากกว่าองค์ําหนดแต่ชุมนุมไม่พร้อมกันแม้จะรับฉันท่ของผู้ไม่ได้เข้าชุมนุมส่งที่ชุมนุมนั้นแม้ครบองค์ําหนดก็ยังให้อุปสมบทไม่สำเร็จนี้เรียกว่าสีมาวิบัติคือเสียเพราะเขตชุมนุมเพราะเหตุนั้น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 แต่ข้อที่ยกขึ้นไล่เลียงนั้นเป็นแต่บางข้อจะเป็นเพราะเลือกแต่ข้อที่ล่อแหลมหรือในชั้นต้นเพียงเท่านี้ข้ออื่นเพิ่มมีในชั้นหลังต้องให้ผู้นั้นหาภิกษุรับรองหรือชักนำเข้าหมูรูปหนึ่งซึ่งเรียกว่าอุปชายยะต้องเป็นผู้ใหญ่สามารถจะฝึกสอนเมื่อบวชแล้วและต้องตรวจตราเครื่องบริคารที่จาเป็นของภิกษุคือไตรจีวรกับบาด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 ต้องเปล่งคำขอกรณียากเหล่านี้เรียกว่าบุรรพากิจควรจะทำให้เสร็จก่อนสวดประกาศหากทำขาดไปบ้างถ้าไม่เป็นข้อวิบัติอย่างเด็ดขาดก็ไม่ถึงกับเสียหายแต่จัดว่าไม่ถูกธทมเนียมเมื่อพร้อมด้วยสมบัติดังกล่าวมาแล้วจึงเป็นวาระที่จะสวดประกาศรับผู้นั้นเป็นภิกษุเ ข, ข้าหมู่ เป็นหน้าที่ของภิกษุรูปหนึ่งผู้มีความรู้ความสามารถจะประกาศให้สงฟังว่าจาประกาศนั้นสี่เที่ยวเที่ยวแรกเป็นคำผเดียงสงขอให้อุปสมบทคนชื่อนั้นเรียกว่ายติอีกสามเที่ยวเป็นคำหารือกันและกันของสงที่ตกลงว่ารับผู้นั้นเป็นภิกษุเข้ามูเรียกว่า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 สงฆ์จะให้อุปสมบทต้องทำให้ได้พร้อมด้วยสมบัติหประการดังนี้จึงจะเป็นอันทำรรด้วยดีถูกระเบียบที่มีพระพุทธานุญาตไว้